แล้วอย่างใจความโดยสรุปก็ในใ น, ในท้ายเล่มเนี่ยนะในหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยท้ายเล่มเนี่ยจะกล่าวถึงพระพุทธคุณความหมายของอิติปิโสตั้งแต่อรหังไปต้นโดยย่อนั่นเองเนี่ยนะท่านพอจบพระธรรมเทศนาที่บทสุด ท, ที่รักสแสดงเนี่ยนะคือรักลูกคนนี้มากมันลูกคนนี้แสดงเลยโอ้ยเลื่อมสายมากนะเพราะว่าเชื่อผลงานหลายอย่างก็เลยส่งใจตามเนี่ยนะ ก็ถามว่าเอ๊ะไม่เห็นแสดงอริยสัจเลยบรรลุได้ยังไงตั้งแต่อรหันเนี่ยอรหันก็คือผู้ที่ทํากิจในอริยสัจเสร็จแล้วสัมมาสัมพุโทโธก็ตรัสรู้อริยสัจเสร็จสิ้นแล้ว อ, อริยสัจมาประกาศสแสดงวิชาจารณะสัมปันโนก็อาสวัคคายาก็รู้อริยสัจจารณะเนี่ยนะข้อปัญญาก็ปัญญารู้เห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะก็คือปัญญาที่รู้อริยสัจนั่นเองสุขโตก็ไปตามอริยมรรคไปสู่ อมตะนิพานเป็นต้นก็ประกาศอริยสัจเพราะนั้นโลกวิถูก็ประกาศอริยสัจจะบทไหนบทเหล่าใดก็ประกาศอริยสัจเพราะนั้นการแสดงธรรมของภาษารีบดเนี่ยนะเวลาจบธรรมเทศนาผู้เป็นแม่นางพรามณีก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพันธนะธรรมจักสุปราศจักธุลีปราศจักมนทินเนี่ยนะก็คือโสดาปฏิมัคขปัญญาก็เกิดขึ้นเห็นทุกขษัตริย์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทยัยสัจ เห็นความดับทุกข์คือพระนิพพานเนี่ยนะเพราะอริยมรรคทั้งหลายก็จะรู้ว่านี้ทุกนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกนี้ความดับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองท่นก็นางก็ฟังแล้วก็บรรลุแทงตลอดอริยสัจดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลเนี่ยนะผลแห่งโสดาปฏิผลเสร็จแล้วก็กล่าวกับลูกว่านะแทนที่จะตําหนิตัวเองว่าทําไมไม่เลื่อมใสเลยนะคนทั้งหลายก็เนี่ยชอบโปรยโทษไปให้คนอื่นบอกว่าอุปติสา คือลูกเขาลูกเขาจริงอ่ะชื่ออุปติสสะภาษาริบทเนี่ยชื่อชื่อแท้ของท่านเนี่ยชื่ออุปติสสะเพราะว่าอยู่ในอุปติสสะามหรือนารกะคามเนี่ยนะแล้วก็แต่ชื่อเรียกตามตามแม่ก็บอกว่ารูปปัสารีแม่ของภาษาลิบทชื่อว่านางรูปปัสารีภาษาริบทก็เลยชื่อว่านางสัอภาษารีบุตรก็คือลูกของนางสารีนั่นเองสารีนี่แปลว่าสาระนะ สาระก็คือเนื่องจากว่านางเนี่ยเป็นคนสวยมากในมีรูปเป็นสาระอย่างที่สองมีสมบัติเป็นสาระก็คือรวยมากเลยนะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มากเลยอะ่ะมันก็มีรูปสวยรวยมากก็เลยชื่อว่านางสารีแล้วก็ตระกูลสูงด้วยตระกูลก็ถือว่าสูงส่งในยุคนั้นเนี่ยน ะ, ะมีสาระอยู่ในตัวล้าอย่างก็เลยเรียกว่านางสารีเนี่ยนะลูกของนางสารีชื่อว่าสารีบุตรก็เลยบอกว่าลูกทําไมเนอะ เจ้าจึงได้ทําอย่างนี้ทําไมจึงไม่ให้แม่ดื่มอมะตะธรรมทําไมไม่ให้ทาไมไม่ให้แม่บรรลุมรรคผลเห็นพระนิพพานอย่างนี้ตลอดเวลา น, านานถึงเพียงนี้ทําไมนาะก่อนจะตายแล้วจึงมาเทศก่อนหน้า น, านี้มเห็าแสดงให้แม่ฟังมั้งเลยเนี่ยนะพระเถระก็คิดว่าบัดนี้พอแล้วล่ะคุ้มแล้วล่ะสําหรับค่าน้นํานมค่าป้อนข้าวนะก็ว่าผลตอบแทนเนี่ยนะของการเลี้ยงดูที่แม่เลี้ยงดูมา ที่นางสารีพรามณีมารดาของเราให้เอาไว้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการชดใช้แม่อย่างแท้จริงเหมือนกันเถอะใช้นี่เสร็จแล้วนะแต่สําหรับลูกทั่วๆไปที่ยังช่วยให้แม่เป็นพระโสดาบันไม่ได้ใช้นี่ยังไม่จบนะใช้นี่ยังไม่จบก็บอกว่าจะแต่งตั้งพ่อแต่งตั้งแม่ให้ได้ตําแหน่งจกักรพรรดิสมบัติก็ยังไม่ก็ใช้นี่ยังไม่จบผู้ที่ใช้นี่พ่อแม่จบนั้นก็คือการพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาให้ท่านมีศรัทธา พ่อแม่ที่ยังไม่ได้ฟังธรรมให้ได้ฟังธรรมพ่อแม่ที่ยังไม่มีศีลให้ท่านมีศีลพ่อแม่ที่ยังไม่ให้ทานก็ให้ท่านได้ให้ทานพ่อแม่ที่ยังไม่ได้เจริญสมถาวิปัสสนาก็แนะนําให้ท่านเจริญสมถาวิปัสสนาพ่อแม่ที่ยังไม่ทำไม่เจริญโสดาปฏิมักทำโสดาปฏิผลยังไม่แจ้งก็แนะนําให้ท่านเจริญโสดาปฏิมัรรมโสดาปฏิผลให้แจ้งถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นั่นแหละเจริญจะ เรียกว่าใช้นี่แกพ่อแก่แม่เสร็จเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยนะอุ้มเลี้ยงดูบุตรอยู่ในคันเนี่ยเเดือนส0เดือนแล้วก็แสดงโลกนี้ให้ลูกแล้วก็สั่งสอนประโยชน์ทั้งหลายในโลกนี้ให้รู้จักเป็นครูคนแรกของลูกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกอันลูกที่จะช่วยตอบแทนคุณพ่อแม่ได้เสร็จก็ต่อเมื่อให้พ่อแม่อย่างน้อยต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก อันผู้ที่ยืนยันว่าพ่อแม่ไม่ไปอบายเลยก็คือพ่อแม่เป็นพระโสดาบันไปแล้วอั้นการที่จะช่วยให้พ่อแม่เป็นพระโสดาบันนั่นแหละจึงจะคุ้มค่าอะไรว่าตอบแทนทั้งว่าสมควรแก่คุณกันเนี่ยนะไม่ใช่คิดอย่างนี้บางคนว่าเออเดี๋ยวไปมีลูกลูกก็ได้มาตอบแทนคุณในจะร้องเรียกติดที่แกต้องใช้นี่ฉันให้ถึงฉันเป็นโสดาบันนะบอกว่าแต่แกต้องช่วยให้ฉันเป็นโสดาบันนะแต่แกห้ามพูดสั่งสอนอะไรฉันเพราะฉันเป็นพ่อเป็นแม่ไงหรือเปล่านะยากอย่างนั้นนะ เขาบอกว่าใครจะพูดให้ใครยากเทากับฟังพูดให้พ่อแม่ฟังเล่าวะไงี้ยฉะนันเลี้ยงเธอมาตั้งไงเมื่อไหร่ก็ว่าไป น, นนะนัเสร็จแล้วก็พอแสดงพอบรรลุเป็นพระโสดาบันจบระษารีบุตรก็ส่งนางพรามณีไปบอกว่ากลับไปเถอะมหาอุบาสิกาเสร็จแล้วก็ถามน้องชายเนี่ยนะพระมหาจุนทาว่าบัดนี้จวนสว่างหรื อ, อยังพระมหาจุนท้าก็ตอบว่าจวนสว่างแล้วครับถ้าอย่างนั้นท่านจงประชุม ภิกษุสงฆ์เถิดเนี่ยนะก็ให้ประชมุมภิกษุสงฆ์ห้าร้อยที่ติดตามท่านมาเนี่ยนะต่อ พ, พระจุลทาก็บอกว่าบัดเนี้ยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยประชมกันแล้วขอรับก็รู้อยู่แล้วว่าคืนเนี้ยพระสารีบุตรไม่รอดเพราะลาพระพุทธเจ้าแล้วนะลาพระพุทธเจ้ามาแล้วว่าจะมาปรินิพานวันที่เจ็ดแล้วก็ในห้องที่ตัวเองเกิดนั่นแหละถ้าใครจะไปที่ที่เมืองนาลันทาตอนนี้นะก็เจดีองค์ใหญ่ๆตรงนั้นแหละ เป็นที่ที่เขาเชื่อว่าพระสารีบุตรเกิดแล้วก็ที่ที่ดับขันทัปริณิพานเนี่ยนะที่เจดีย์องค์ใหญ่เลยนะที่ที่นารลัมทาวิหารอที่วิหารนารันทาเนี่ยนะพอประชุมภิกษุน์สงเสร็จเนี่ยนะก็บอกว่าช่วยยกเราให้นั่งทีสิพระจุนทาก็ช่วยประคองให้พระสารีบุตรลุกขึ้นนั่งพระเถระก็เรียกพระพิสูจน์ทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ติดตามตนมาตลอด45ปีบอกว่า พวกท่านอยู่กับเรามาถึง4ีสิบสปีถ้าหากว่าท่านไม่ชอบใจทางกายกรรมก็ตามนะเรียกว่าไม่ชอบกรรมทางกายหรือไม่ชอบกรรมทางวาจาของเราอันใดผู้มีอายุจงงดโทษเสียนั้นเถิดเขา อ, อดโทษด้วยนะเพราะว่าแม้อยู่ด้วยกันมาสีสิบสปีเนี่ยนะอาจจะมีนะกายกรรมท้าที่ท่านไม่ชอบวจีกรรมที่ท่านไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างของเราที่ท่านไม่ชอบ คำพูดบางอย่างที่ที่เราพูดไปแล้วท่านไม่ชอบขอให้ท่านอดโทษให้เราด้วยนะไม่อธิบายนะอะไรก็รู้ว่าขอโทษแล้วกันแาบนั้นเถอะแต่ไม่ขอโทษทางใจเพราะท่านไม่เคยคิดร้ายกับผู้ใดไม่มีความคิดใดที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนของผู้ใดเพราะฉะนั้นจะขอโทษเฉพาะกายกรรมกับวจีกรรมเพราะว่ากายกรรมอาจจะทาดีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่เห็นด้วย มันก็ขอโทษสําหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยที่ไปขัดใจเขาคําพูดเหล่าใดที่คนอื่นไม่ชอบฟังหรือฟังแล้วขัดใจก็ขอโทษด้วยนะภิกษุเหล่านั้นก็กราบเออก็เรียนภาษาริบด์ตอบว่าท่านขอรับพวกเราเที่ยวไปไม่เคยห่างจากตัวท่านเนี่ยเหมือนเงาติดตามท่านมาตลอดนะเป็นบริวารคอยบํารุงรับใช้ภาษาริบด์มาตลอดเป็นเหมือนกับผู้พักดีต่อภาษาริบด์มาตลอดเหมือนเงาติดตาม เชื่อว่ากรรมที่ท่านทําแล้วเนี่ยที่พวกข้าพเจ้าไม่ชอบใจเนี่ยนะในตลอดระยะเวลา45ปีนี้ไม่มีแก่พวกเราแต่ขอท่านโปรดงดโทษแก่พวกเราเสียด้วยพวกเราอาจจะทำอะไรอะไรแล้วอย่างที่ดูแล้วไม่เหมาะสมไม่สมควรเป็นต้นขอให้ท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยแสงอรุณก็ปรากฏเนี่ยนะร่ำลากันอรุณปรากฏพระเถระก็ยังมหาปฏิพีให้เหลือนลั่น ก็คือท่านเจริญสมถวิปัสนาไปเรื่อยๆเนี่ยนะในที่สุดก็ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพานเทพยดาและมนุษย์เป็นอันมากก็พาการกระทําศักการะในสถานที่ที่พระสารีบุตรปรินิพานเน่ยนะสถานที่พระสารีบุตรปรินิพานก็ยังเป็นที่เคารพ บ, บูชาของอสัรพะสัตทั้งหลายจุกจนปัจจุบันและก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ ทีนี้ฝ่ายท่านพระหมหาจุนทะนี่ก็ถือบาทและจีวรหอหอพระธาตุไปยังพระเชตวัน น, นะเสร็จแล้วก็เข้าไปหาท่านพระอ น, นุเทระเสร็จแล้วก็พาพระอ น, น, นุเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถือผ้ากรองน้ําะนะเท่าทว่าถือผ้ากรองน้ําหอพระธาตุเสร็จแล้วก็กล่าวคุณของพระสารีบุตรเทระด้วยคาถาห้าร้อยคาถา ชมภาษารีบทชมอยู่นานมากนะชื่นชมแสดงความยินดีมากเลยนะเสร็จแล้วก็โปรดให้สร้างพระธาตุเจดี JD ให้ประธานสัญญาแก่พระอานนทระเพื่อจะกลับไปยังกรุงราชครึกนะหลังจากที่สร้างเจดีสร้างอะไรบรรจุพระธาตุภาษารีบทเสร็จแล้วพระองค์ก็จากสาวัติไปไปกรุงราชครึกเพื่อให้พร ะ, าพระอานนท์เนี่ยบอกพระภิกสุท์ทั้งหลาย ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพิกสุสง์เป็นบริวารเสด็จเข้าไปยังกรุงราชเจริค์ในเวลาเสด็จไปยังกรุงราชเจริค์นั้นพระมหาโมฆลลานะเทระก็ปรินิพาน น, นนะคือตอนที่ไปอยู่ที่เมืองราชเจริค์เนี่ย น, นะตอนนั้นเนี่ยลาบสการะของเดียรถีเนี่ยทุดโทรมมากเดียรถีไม่มีใครนับถือก็มีเดียรถีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ก็คิดว่าเออพระเขาคิดว่ า, เ อ, อ เ, า, วาเอ๊ะทำไมนะศาสนาพระโคดมเนี่ยจึงเจริญรุ่งเรืองเหลือเกิน เพราะอะไรก็ตั้งโจทกันในสภาของของพวกกลุ่มเดรธีคิดกันไปคิดกันมาในที่สุดขอข้อยุติได้ก็เพราะพระมหาโมคขลานะนี่แหละพระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองถามว่าทําไมก็พระโมคขลานะนี่แหละคอยเป็นคนเนี่ยไปบางทีก็ไปที่นรกแล้วก็กลับมาเล่าให้พวกญาติฟังเนี่ยนะญาติทั้งหลายก็ไม่ประมาทเพราะก็พากันทําบุญทํากุศลบางทีก็ไปที่เทวโลกเอาเรื่องข่าวของญาติที่อยู่ในเทวโลกมาเล่าให้พวกญาติฟังเพิ่น พวกมนุษย์ก็เลยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากเพราะตัวท่านพระโมคคัลลานะนี่แหละถ้าเราฆ่าพระโมคคัลลานะเสร็จนะศาสนานี้คงสุดแน่เพราะฉะนั้นแผนก็คือฆ่าพระโมคคัลลานะซะที่จริงแล้วกลุ่มเดรัจฉีเนี่ยวางแผนที่จะทำลายพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายแผนด้วยกันนะแผนตั้งแต่สมัยพระองค์มีพระชนอยู่กลุ่มที่มุ่งทาลายก่อนก็คือกลุ่มพระเทวทัตเนี่ยมุ่งทำลายก่อนชุดแรก นะกลุ่มพระเทวทัตก็มุ่งทำลายกลุ่มเดรธีก็ใช้นางสุนทรีบ้างนางจินจั่นมาณวิกาเป็นต้นบ้างมาเพื่อทำลายแล้วก็ยุคหลังๆก็วางแผนบางคนก็บางกลุ่มก็ให้ด่าเนี่ยนะนะช่วยกันด่ารับจ้างด่าเป็นต้นรับจ้างด่าพระรัตนาตรายัยเนี่ยนะนะแต่ก็มีนะมีคนหนึ่ง เ, เขารับค่าจ้างมาเพื่อจะด่าพระพุทธเจ้ารับมาเลยพันหนึ่งโอ้นักด่ามือฉกาดเลยนะนะจ้างนักด่ามาให้คนนี้อด่าเก่งที่สุดแล้วก็ไปจ้างมาพันหนึ่ง ให้ไปด่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ไปถึงไปถึงก็มองดูพระพุทธเจ้าดูตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นผมเฮ้ยคนอย่างงี้ด่าไม่ได้ถ้าด่าหัวเราแตกเก็ดเสียนชมอย่างเดียวเท่ากับจ้างไปชมเหมือนกันน่ะแต่อย่างนี้ก็มีอนะมันก็กลุ่มแต่นี้ย้อนกลับมาว่ากลุ่มเดรัจฉีกลุ่มนี้เนี่ยก็วางแผนคิดไปคิดมาบอกว่าเราต้องฆ่าท่านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเอ๊ยยังไงดีฆ่าก็เลยจ้างให้คนไปฆ่าในท่านไปครั้งที่หนึ่งท่านก็เหาะหนีไปครั้งที่สองท่านก็เหาะ ออกตามช่องกุญแจบ้างเหาะไปเนี่ยนะในที่สุดก็ข้าไม่ได้ครั้งที่เจ็ดเนี่ยท่านก็มาบอกว่ากรรมเนี่ยมาถึงเราแล้วเพรากรรมมาถึงเราแล้ ว, ว, รรมมลวบอกว่าถึงเราจะหนียังไงก็ไม่รอดแล้ววันนี้แล้วท่านก็ไม่ออกไปไหนะก็เลยถูกทุบตายเนี่ยถูกทุบจนกระดูกเนี่ยเป็นเรียกว่าปนหมดเละหมดเลยแล้วก็จับไปโยนทิ้งไว้ที่กองขยะนะเสร็จแล้วพอพอโจรออกไปท่านก็ประสาน ร, ร่างกายของท่านใ ห, ให้เข้าเหมือนกับกลับเหมือนเดิมเนี่ยนะ ก็ไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพานแล้วก็พระองค์ก็ให้สร้างเจดีย์เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมกขลานะแล้วพิสูจน์ทั้งหลายก็สนทนากันว่าพระโมกขลานะนะตายในฐานะที่ไม่สมควรเนี่ยนะท่านเก่งขนาดนี้ท่านดีขนาดนี้อะไรขนาดนี้ทําไมจะต้องตายแบบนี้ นะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สมควรในชาตินี้ก็จริงแต่สมควรกับกรรมเก่าที่เคยทําไว้ในอดีตชาติที่เล่าให้ฟังว่าเชื่อแม่แล้วเชื่อเมียแล้วก็ทุบตีพ่อแม่จนพ่อแม่ตายเนี่ยนะกรรมมันั้นเนี่ยทำให้ตกนรกแล้วก็ถูกทุบตีมาแล้วตายแบบถูกทุบตีมาแล้ว99ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้อยแต่ก็ถือว่าถูกทุบเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าสําหรับผู้ที่ยังไม่เป็นผ้าอรหันเนี่ยไม่รู้จะถูกทุบแบบอะไรนะ แบบประช่อนถูกทุบหัวก็เห็นไหมจะถูกทุบแบบนั้นอีกกี่ครั้งเนาะสำหรับพระพุทธเจ้าหลังจากที่สร้างเจดีเสร็จแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บ่ายพระพักไปยังแม่น้ําคงคาก็เสด็จไปที่บ้านอุ ก, กะละเวรคามโดยลําดับก็ไปยังที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาในอุ ก, กะละเวรคามนั้นน่ องให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นบริวารประทับนั่งณที่นั้นแสดงพระสูตรเกี่ยวกับด้วยการปรินิพานของพระสารีบุตรและพระโมกขลานะพระพระนนเนี่ยนะเป็นพระนนเนี่ยท่านรักพระอยู่หลายรูปด้วยกันหนึ่งพระพระที่พระนนรักมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรักมากเลยนะพอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ข่าวว่าป่วยเนี่ยพระนนก็ป่วยแล้วอ่างั้นเถอะอันนี้ พันอย่างที่สองผู้ที่พระนนรักมากก็คือพระสารีบุตรเนี่ยนะรองลงมารองลงมาองค์ที่สามก็คือพระมหากรส ป, ปะเป็นพระที่แปลว่าพระที่ท่านอยู่ในดวงใจพระนรุนนะท่านจะรักของท่านมากนะในโดยเฉพาะหลังจากที่พระสารีบุตรปรินิพพานะท่านก็ละห้อยเลยนะเสร็จแล้วก็บอกโอ้เสียใจมากพิศ ท, ทั้งหลายไม่ปรากฏเนี่ยธรรมะก็ไม่ปรากฏคิดอะไรก็คิดไม่ออกว่า ง, งั้นพระพุทธท่านนนก็ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าฟังแบบเนี้ย พระองค์ก็บอกว่าอนุนภาษารีบุตรพาศีลนิพานไปด้วยหรือเปล่าพระเจ้าค่าเอาพาสมาธิ ป, ปรินิพพานไปด้วยหรือเปล่าพระเจ้าค่าพาปัญญาวิมุตติยานัทสนะปรินิพพานไปด้วยหรือเปล่าพระเจ้าข้าบอกเอ้าทำไมต้องเสียใจอ่ะก็ก็เนี่ยขอภาษารีบุตรท่านเป็นคนขยันน่ะท่านสงเคราะห์เพื่อนพรหมจรรยท่านไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อยท่านโอวาทได้สั่งสอนได้ตลอดนี่แหละก็คิดถึงคนของท่าน อนโน์เราเคยบอกเคยกล่าวไปแล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปนั่นแหละนะแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังนะนี่พระองค์ก็ตรัสพระสู่ที่เกี่ยวกับการปรินิพานของพระสารีบุตรเสร็จแล้วก็เสด็จไปจนถึงอุกรคามกรุงเวสาลีเข้าไปแล้วพระองค์ก็ตอนเช้าอ่ะนะก็ใช้อันตราวาสกถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยัง กรงเวสาลีโดยลําดับเนี่ยนะโดยลําดับส่วนเรื่องราวหลังจากนี้ไปซึ่งเป็นการที่พระองค์เนี่ยนะจะดับขันปรินิพานเนี่ยนะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการดับขันทัพปรินิพานเอ่อขออภัยปลงมายุสังขารก็ขอเป็นวันเสาร์หน้าก็แล้วกันเนะสำหรับเกี่ยวกับการปลงมายุสังขารของพระผู้มีพระภาคเจ้า สำหรับวันนี้ก็คงอมหาปรินิพานสูตรก็ถึงปรินิพานของพระอัครส า, าวกคือพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะจริงๆเราก็น่าจะดีใจกับท่าน น, นะเพราะท่านพ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะแต่ของมาของใกรรล้เลยนะท่านถูกประหารเป็นครั้งสุดท้ายแต่ของเราจะถูกประหารอีกกันกี่ครั้งเน้เหมือนั้นก็ขอเรียกว่านอบน้อมบูชาพระอริยะเหล่านัน้นก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ ล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมะที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีอริยการตัดสินโดยท่วกันเนี่ยนะจะได้เป็นผู้มีอาบายทุกปฏิวินิบาตนารกอันปิดไว้แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคต